อนาปฏิวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,165 พิภิกษุณีไม่รู้จึงบวชให้สองภิกษุณีขออนุญาตก่อนค่อยบวชให้3ภิกษุณีวิกลจริต4ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่10จบ